สบไปบอกว่าหรือไม่บอกว่าให้ไปดูโทษของความทุศีในอัคิขันโทรประมะสูตรพระสูตรที่อุปมาด้วยกองใหญ่เนี่ยนะว่าในอังคุตรนิกายสัตตกานิบาศ ท, ที่ผู้ทุศีเนี่ยนะกอดกองไฟกับกอดบุตรครึหาบดีเป็นต้นเนี่ยนะอัไหนควรกอด ก, กันเนี่ยนะมันถ้าศีลไม่ดีบอกกอดกองไฟตายคาที่ยังจะดีกว่าไงั้นน ถ้าหากว่าจะบริโภคปัจจัยสีเช่นบริโภคอาหารก็บอกว่าเอาก้อนเหล็กแดงๆหย่อนเข้าไปให้ไม่ปากไม่ลิ้นไม่คอไม่กระเพาะลำไส้ไหลหไปทวารหนักก็ยังดีกว่าบริโภคปัจจัยของผู้ทุศีนทั้งหลายเนี่ยนะหรือไปพิจารณาว่าศีนเนี่ยนะศีนนี่เป็นนิมิตแห่งปีติและโสมนัสถ้าเรารักษาศีนได้ดีเนี่ยนะ ความปราบปลื่มใจความปีติใจถ้าคนศีลดีจริงๆเนี่ยใจไม่แห้งแรงหรอกที่ใจมันแห้งเมื่อใดก็แสดงว่าพื้นฐานมาจากศีลดีแสดงว่าเป็นผลพวงของความทุศีนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยทำเป็นแน่จึงมาตามหลอกตามหลอนให้วิปฏสสนรอยู่เรื่อยเนี่ยนะก็เป็นผลของความทุศีนอย่างใดอย่างหนึ่งมาแน่ก็เลยทาให้จิตใจ อ, อเหี่ยแต่ถ้าพื้นฐานเป็นคนมีศีลดีมาเยี่ยมเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีปิติและปราโมทปิติและให้โสมนัสเพราะระลึกถึงกรรมอันไม่มีโทษของตนผู้มีศีนี่นะจะไม่มีการกล่าวติเตียนตนตัวเองก็ไม่ติเตียนตัวเองผู้อื่นพิจารณาโดยรอบแล้วก็ไม่ติเตียนเนี่ยนะผู้มีศีเนี่ยจะพ้นจากภายัยไม่ว่าจะเป็นอาจญา เคยเห็นพระราชาเขาจับคนมีศีลไปลงโทษบ้างไหมเขาบอกว่าโอ้แกศีลดีเหลือเกินเอาไปลงโทษเลยเพราะมันศีลดีไม่มีพันถ้าเขาจะลงโทษเขาจะแกล้งให้มันเหมือนกับว่าสร้างภาพให้เรียกว่าเป็นคนทุศีแล้วจึงจะเอาไปลงโทษเพรันนี่มิตที่เกิดจากศีลเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดการลงโทษเลยเนี่ยนะพันอาจจาเนี่แปลว่าการลงโทษผู้มีศีลจะไม่ถูกลงโทษแต่ถ้าเขาจะลงโทษใครใส่คดีทุศีลลงไป แล้วอาศัยอ้างว่าทุศีลจึงจะลงโทษได้เพราะปกตินี่ผู้ที่ถ้าดำรงอยู่ในศีลจริงๆนั้นน่ะตัวศีลเนี่ยทำให้พ้นจากโทษแล้วก็ผู้มีศีลเนี่ยพ้นจากทุกขติพ้นจากอบายทุขติวินิบาทนรก ศีลเป็นสิ่งที่วินยูชนสรรเสริญพระพุทธสาวกทั้งหลายท่านก็สรนเสริญพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สรนเสริญเนี่ยนะเทวดาผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายก็สรนเสริญศีลเป็นเหตุแห่งความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยนะไม่ต้องเชื่อไอ้ที่ร้อนร้อนเเพ้วเเพ้วส่วนใหญ่ก็เกิดจากความทุศีนั่นแหละเนี่ยนะ ศีลเป็นที่ตั้งแห่งความสวัสดีแปล ว, ว่าอะไรจะปลอดภัยเท่ากับอาศัยศีลไม่มีแล้วศีลเป็นที่ตั้งแห่งความปลอดภัยศีลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งอะไรจะยอดเยี่ยมยิ่งกว่าศีลไม่มีศีลนี่ยยอดเยี่ยมยิ่งกว่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเช่นยิ่งใหญ่ด้วยสมบัติยิ่งใหญ่ด้วยอธิปไตยอายุรูปฐานะและมิตรพวกพ้องเป็นต้นเพราะว่าผู้มีศีลเนี่ยนะ จะได้รับปีติโสมนัสอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าปีติโสมนัสใหญ่นั้นเกิดแก่ผู้มีศีล เ, นะเนี่ยนะผู้มีศีลเนี่ยยิ่งเขาบอกว่าถ้าศีลดีจริงๆเนี่ยไม่รู้จะเดือดร้อนได้ไมนึกเมื่อไหร่ก็ดีใจนึกเมื่อไหร่ก็ปลื้มใจเพราะเหตุแห่งความถึงพร้อมของศีลว่าเรานี้ทําแต่บุญเราไม่ได้ทําบาปเอาไว้เนี่ยถ้าใครไปอ่านวิถุนบัณฑิตเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่า ก็ไม่รู้จะเดือดร้อนไปทำไมก็เราไม่ได้ทําชั่วไว้เราตายก็ดีอย่างจะไปสุคติสักทีเนี่ยนะถ้าเราไปยังไงก็ไปดีเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นนากลัวอะไรสักอย่างนึ่นนะว่าผู้มีศีลเนี่ยจะไม่มีความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแต่ถ้าทุศีลระลึกถึงความชั่วเมื่อไหร่ก็กเดือดอร้อนละเพราะเรานี้ทําแต่กุศลเราทําแต่ความดีเราได้ทาแต่เครื่องป้องกันความกลัวเอาไว้ ที่เรารักษาศีลก็เพื่อป้องกันความกลัวพันถ้าใครไม่ต้องการความกลัวความหวาดสืดุ้งความหวาดเสียวต่อไปก็ตั้งตนเจริญกุศลศีลแต่ถ้าไม่สนใจศีลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กลัวเพราะงั้นแปลว่ากลัวแน่นอนเพราะว่าความสือดุ่งกลัวเป็นผลของความทุศีนี่นะเคยได้ยินไหมว่าคนผู้ศีลเนี่ยโอ้ดิ้นรนกระวนกระวายเดือดร้อนเร่าร้อ น, นเป็นต้น แต่ว่าที่ร้อนรนกรวนกวายโดยมากเป็นผลของคนทุศีลทั้งนั้นแหละต่อไปว่าผู้มีศีลย่อมไม่ติเตียนตนเนี่ยนะหาช่องมาด่าตัวเองได้ไหมคือตำหนิตัวเองได้ไหมนั่งบ่นให้ตัวเองแบบแกนั่นแหละแกนั่นแหละไม่น่าเลยยังงั้นอย่างงี้ไม่มีเพราะผู้มีศีลไม่มีข้อใดที่จะพึงติเตียนตนวินยูชนก็ไม่กล่าวโทษผู้นั้น ภัยคือความกลัวทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดจากอาทยาหรือภัยคือทุกติย่อมไม่มีแก่ผู้มีศีลวินยูชนทั้งหลายจะสรรเสริญว่าเป็นบุคคลผู้มีศีลมีธรรมงามอันหนึง่งความเดือดร้อนใดย่อมเกิดแก่ผู้ทุตศีลใครที่ชั่วทำความชั่วมาก็เดือดร้อนว่าเรานี้ทำความชั่วแล้วเราทำแต่กำยาบช้าทารุณแต่ความเดือดร้อนดังกล่าวไม่มีแกผู้มีศีล ความเดือดร้อนใดที่คนทุศีนเดือดร้อนความเดือดร้อนเหล่านั้นไม่มีแก่ผู้มีศีลเนี่ยนะเพรา ะ, ะเห็นความเดือดร้อนของสัตว์ทั้งหลายให้รู้เถอะว่าผู้มีศีลเขาจะไม่เดือดร้อนเช่นนี้ผู้ที่เดือดร้อนเช่นนี้คงทุศีลเป็นแน่อันหนึ่งธรรมดาศีล น, นี้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งหรือเป็นฐานะเหตุแห่งความสวัสดีคือความปลอดภัยเพราะความตั้งใจด้วยความไม่ประมาท ทีนี้ศีนเนี่ยนะยังประโยชน์ใหญ่ให้สําเร็จเพราะศีนนี่โดยพื้นฐานก็อุปทานะรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้พั้นการรักษาศีลเนี่ยนะผู้ที่มีศีลดีชื่อว่าเป็นการคุ้มครองโผคะไม่ให้โผคะพินาศเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยศีนนี้เป็นมงคลใช่ไหมศีนนี้เป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความสวัสดีผู้มีศีนนั่นแหละเป็นบัณฑิตเป็นคนที่ควรครบหาผู้มีศีลคือปูชนียบุคคลคือคนที่ควร กราบไหว้นะี่ยผู้มีศีลอยู่ณนะที่ใดที่นั่นเป็นปฏิรูปประเทศสั่งสมศีลกุศลศีลเกิดเมื่อใดนั่นเป็นปุเพกะตปุญญาตาเพราะนั้นการตั้งใจที่จะรักษาศีล น, นั่นแหละเป็นอัตตะสัมมาปณิธิผู้ที่ศึกษาศีลแล้วสา ม, มารถรักษาศีลได้เขาเรียกว่าพาหูสูตรเนี่ยนะเพราะนั้นใครที่มีศิละปะรักษาตัวเองให้ไม่ทุศีลได้ก็ถือว่าเป็นคนเก่งมากเช่ว่าสุดยอดของศิละปะทั้งหลายแล้วเพราะว่า รักษาตัวเองไม่ให้ไปแปดเปื้อนกับบาปประกรรมทั้งหลายเนี่ยนะคนมีศีลเชื่อว่าเป็นผู้ที่ศึกษาวินัยเป็นอย่างดีเนี่ยนะผู้มีศีลคาพูดคำกล่าวของเขาจะเป็นคำพูดที่เป็นวาจาสุภาษิตเนี่ยนะศีลนั้นนะคนมีศีลก็คือคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะคนมีศีลคือคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่คนมีศีลคือคนที่สงเคราะห์บุตรและภรรยาเนี่ยนะคนมีศีลคือคนที่ ทำงานที่ปราศจากโทษทำงานไม่อากูลพันศีนั้นจึงเป็นมงคลโดยทุกข้อเลยนะถ้าถ้ า, ถ, าถ้ามีศีลจริงอะ่ะจะประสบมงคลทุกข้อแต่ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยไล่อาประมงคลมาแล้วห น, น, นึ่งสองสามสีห้าไล่ไปเถอะพันศีนี่เป็นเหตุแห่งความเจริญเนี่ยนะศีนนำไปสู่ความเจริญโดยส่วนเดียวคนมีศีลแม้มีชาติตระกูลต่ําก็เป็นปูชนียบุคคลของกษัตริย์มหาศารเป็นต้น เพราะเหตุนั้นศีละสัมปทาจึงอยู่กับกุลสมบัติเนี่ยนะคือคนที่มีศีลเนี่ยนะเกิดชาติตระกูลใดก็ช่างเถอะถ้ามีศีลโดยเฉพาะศีลในอริยมรรคทั้งหลายแล้วเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งการกราบไหว้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเกิดมาในตระกูลเรียกว่าตระกูลคนเทดอกไม้แปลว่าคนเทอุจระเนี่ยนะอาชีพคนเทอุจร ะ, ะบวชมาวันเดียวบรรลุเป็นพระอรหรันต พอเป็นพระอรหันเนี่ยพอบวชมาแล้วเนี่ยเทวดาและพรหมมานอบน้อมพระเนี่ยชื่อว่าท่านสุเนตบรรลุปเป็นพระอรหันเนี่ยนะเทวดาและพรหมก็มานอบน้อมท่านนะข่าแต่บุรุษอาชาในข้าพระเจ้านอบน้อมท่านเน่ยนะเทวดาและพรหมมานอบน้อมท่านเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้มีศีลเพราะคนมีศีลเรียกว่าคนมีตระกูลเป็นคนที่น่ากราบน่าไหว้ พระองค์ตรัสว่ามหาบาพิษพระองค์จะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนก็คือในข้อความในสามัญญผลสูตรเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าตรัส ก, กับพระเจ้าชาติศัตรูที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสมมุติถ้าหากว่าข้าทาสกรรมกรของพระองค์ออกบวชพระองค์จะทํำยังไงถ้าออกบวชแล้วเป็นคนที่สํารวมอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลเนี่ยนะพระองค์จะไปให้เขาศึกแลมารับใช้เป็นข้าทาสกรรมกรของพระองค์ไหม บอกไม่ข้าพระเจ้าจะบำรุงอุปถาคท่านเหล่านั้นเนี่ยนะก็เพราผู้มีศีลเนี่ยจะเป็นที่เคารพยำเกรงแม้กระทั่งแก่พระราชาทั้งหลายขอให้เป็นผู้มีศีลเถอะผู้มีศีลตอนแรกเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้บวช ร, รักษาศีลเนี่ยโอ้ยเรียกว่าแทบไม่แลเลยอ่าง น, นั้นแหะแต่พอบวชแล้วตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลเป็นที่ผู้ต้องเข้าไปกราบเข้าไปไหว้เข้าไปนอบน้อมเข้าไปอ่อนน้อมผัมสศีลเนี่ยจึงจเรียกว่าผู้มีศีลเรียกว่าเป็นมี กลสะสมบัติแปลว่าถึงพร้อมด้วยตระกูลสูงเพราะตระกูลคือศีเนี่ยตระกูลสูงที่สุดเนี่ยนะศียย่อมอยู่กับทรัพย์ภายนอกคือผู้ที่มีศีนเนี่ยน ะ, ะถ้ามีอาศัยศีลและตั้งความปรารถนาทรัพย์สมบัติเนี่ยจะไม่ทั่วไปแก่หมู่โจรทั้งหลายเช่นคนที่มีทรัพย์แล้วเสียหายโจรลักไปเป็นต้นเนี่ยแปลว่าทำเหตุมาไม่ดีนะแต่ถ้าทำเหตุมาดีเป็นต้นเนี่ยนะโจรเป็นต้นก็ ทำอะไรไม่ได้ขณะเดียวกันศีลเนี่ยนะผู้มีศีลเนี่ยอนุเคราะห์โลกอื่นเท่ากับปกปักรักษาให้ชาติต่อๆไปตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนถ้าหากว่าศีลไม่ดีพบต่อต่ อ, ตอไปเดือดร้อนแน่แต่ผู้มีศีลเนี่ยนะเท่ากับอนุเคราะห์ตัวเองในชาติต่อต่ อ, ตอไปขณะเดียวกันเนี่ยศีลมีผลมากและขณะเดียวกันศีลก็เป็นอธิฐานคุณแปลว่ารองรับคุณธรรมมีสมถะเป็นต้น เซนย่อมอยู่กับความเป็นอิสระของกษัตริย์เป็นต้นเพราะตั้งความตั้งมั่นอิสระทางใจอย่างยิ่งศีลเป็นนิมิตเป็นอิสระของสัตว์ทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นๆคือความอิสระเนี่ยนะอะไรจะมีอิสระเท่ากับคนมีศีลไม่มีอีกแล้วคนมีศซนเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิสระจริงๆเรียกว่าอิสระยิ่งกว่ากษัตริย์ด้วยซ้ำไปเห็นไหมผู้มีศีลทั้งหลายเนี่ยอิสระมากเลยนะเพราะว่าอิสระทางไหน อิสระทางจิตใจเนี่ยนะเพราะจิตใจของท่านไม่เป็นข่าธาตกรรมกรให้แก่กิเลสตัณหาเป็นต้นนั้นผู้มีศีลจึงเป็นผู้มีอิสระเป็นอิสระทางจิตใจเนี่ยนะกล่าวได้ว่าชีวิตของผู้มีศีลแม้มีชีวิตวันเดียวก็ประเสริฐกว่าคนทุศีลเป็นร้อยปีคนมีศีลแม้มีชีวิตวันเดียวดีกว่าคนทุศีลมีอายุเป็นร้อยปีเนี่ยนะเพราะอะไร เพราะคนทุ่มศีลเนี่ยนะเกิดมาร้อยปีสร้างแต่บาปให้กับตัวเองถามว่าไอบาปที่ทำมาตลอดร้อยปีนี้จะไปเก็บไว้ไหนถ้าบาปเหล่านั้นมันตามให้ผลจะเป็นอย่างไรดังนั้นคนมีศีลเกิดมามีชีวิตวันเดียวตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลประเสริฐยิ่งกว่าคนทั่วไปเป็นร้อยปีเพราะว่าชีวิตของผู้มีศีลประเสริฐกว่าชีวิตของอย่างอื่น เพราะว่าชีวิตที่มีศีลนี่แหละมีประโยชน์ที่สุดไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายตายแล้วไปไหนก็สุดแท้แต่ว่าธรำเนียมประเพณีใช่ไหมผลศีลเ น, นี่ยจึงอยู่กับความเป็นอิสระศีลอมอยู่กับรูปสมบัติเพราะว่าศีลเนี่ยนำมาแม้แต่ความพอใจแก่ศัตรูขณะเดียวกันศีลเนี่ยนีเพราะความชราโรคและวิบัติครอบงําไม่ได้คนมีศีลทําให้พ้นจากชราให้พ้นจากโรคให้พ้นจาก วิบัติชราก็ครอบงามศีลไม่ได้โรคก็ครอบงามศีลไม่ได้ความเสียหายทั้งปวงก็ครอบงามศีลไม่ได้ศีลอมอยู่กับความวิเศษของสถานที่มีปราสาทและเรือนแถวเป็นต้นเพราะตั้งใจในความวิเศษอันเป็นสุขคือคนที่มีศีนั้นะตั้งความปรารถนาระดับสูงนี่ทําให้สําเร็จความปรารถนาของผู้มีศีนี่ทำได้ยิ่งกว่าแม่ก็บอกว่ามารดาบิดาไม่สามารถทําให้ได้ อย่างเช่นจักรพรรดิสมบัติเนี่ยนะไม่ใช่ตำแหน่งที่เกิดจากมารดาบิดาแต่เกิดจากคุณธรรมของผู้มีศีลพ้นศีลเนี่ยทำให้สำเร็จประโยชน์โดยส่วนเดียวศีลเนี่ยอนุเคราะห์ไม่ใช่ประโยชน์โลกนี้เท่านั้นศีลอย่างอนุเคราะห์ประโยชน์แก่โลกอื่นศีนเท่านั้นประเสริฐยิ่งกว่ากองทัพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกองทัพมา้ากองทัพช้างรถกองทัพทหารราบเป็นต้นเนี่ยนะหรื อ, อ ศีลเนี่ยนะประเสริฐยิ่งกว่าเวทมนต์คาถายาวิเศษอีกว่ากันโดยอารักขาคือรักษาตนที่รักษาได้ยากเพราะอาศัยตนไม่อาศัยผู้อื่นและก็เป็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทรรมโมหเว ร, รคติธรรมจารีทาแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเอาอยางอื่นมารักษาคนทู่ศีลได้ไหม บอกว่าเออเนี่ยเอากองทัพช้างกองทัพม้ามาป้องกันไม่ให้คนทู่ศีลไปอาวาย น, นะรักษาแล้วประสบความสำเร็จไห้รักษาคนทู่ศีลไม่สําเร็จเลยนะอย่างพระราชาบางองค์ที่ฆ่าพ่อเนี่ยนะพอฆ่าพ่อเสร็จตัวเองมีความรู้สึกเหมือนจะตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาถามว่ากองทัพที่มีอยู่ช่วยอะไรได้ทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้เลยนะน ะ, นะไม่เหมือนกับศีล แรกๆเนี่ยนะเราจะมีความรู้สึกว่าเราเหมือนกับคอยรักษาศีลแต่ถ้ารักษาศีลไประดับหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตที่ถูกศีลรักษาอยู่ตลอดเวลาตอนแรกมีความรู้สึกเหมือนรักษาศีลโอ้ยรักษายากแพ้รักษายากแพ้แต่นี้พอรักษาไปนานๆจะรู้ว่านี่ถ้าไม่มีศีลนี่แย่แน่นี่นะศีลแท้ๆช่วยปกปักรักษามาตลอดเวลาเนี่ยนะก็เห็นคุณของศีลนะขอให้รักษาศีลได้ยั่งยืนและยืดยาว พันพระโพธิสัตว์พิจารณาอยู่ว่าศีลเนี่ยประกอบด้วยคุณธรรมมากมายอย่างนี้ศีลที่ยังไม่บริบูรณ์ก็ย่อมถึงความบริบูรณ์ศีลที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ถึงความบริสุทธิ์อย่าลืมว่าปัญญาเป็นเครื่องชําระศีลเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญารักษาศีลไม่ได้หรอกถ้าไม่มีปัญญาชําระศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เนี่ยนะทีนี้การพิจารณาต่อไปว่า ก็หากว่าทำทั้งหลายมีโทสะเป็นต้นเป็นปฏิปักต่อศีลพึงเกิดขึ้นแก่มหาบุรุษนั้นในระหว่างในระหว่างเพราะความที่ตัวเองสะสมโทสะมานานอันผู้ปฏิญญาตั้งความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์นั้นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าท่านตั้งใจแน่วแน่เพื่อตรัสรู้ไม่ใช่หรือเนี่ยนะคือคือเคยสะสมโทษ ส, สะสมโทสะมานานเนี่ยนะใครมายุ่งไม่ได้เลยเนี่ยนะใครมายุ่งเมื่อไหร่เป็น เดือร้อนหมดผัสไอสะสมอัธยาศัยแบบนั้นมนานานๆเนี่ยต้องไม่ลืมว่าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือเนี่ยนะไอความปรารถนาเนี่ยจะทําให้ตัดไออุปนิสัยเร็วๆออกไประลึกถึงอัธยาศัยที่เร็วๆก็อาศัยศีลเนี่ยอาศัยคุณธรรมคือศีลมาตัดอัธยาศัยเร็วๆทิ้งบอกว่าถ้าท่านศีลไม่ดีเนี่ยนะแม้โลกิยะสมบัติของท่านก็ไม่สามารถจะให้สําเร็จได้ ถ้าหากว่าท่านไม่ดำรงอยู่ในศีลถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะเอาชาติหน้าเกิดเป็นมนุษย์คืนได้ไหมถ้าไม่มีศีลเกิดในเทวโลกได้ไหมถ้าไม่มีศีลเกิดในพรหมโลกได้ไหมไม่ได้นี่ขนาดว่าศีลไม่ดีไม่ตั้งอยู่ในศีลอย่างดีเนี่ยนะสมบัติในโลกิยะอย่างไม่สําเร็จไม่ต้องพูดถึงสมบัติที่เป็นโลกุตระโสดาปฏิมักเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงหรอก ศีลเนี่ยนะเป็นการอธิษฐานเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอันเลิศกว่าสมบัติทั้งปวงเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจะต้องให้รักษาให้อุกฤษจะต้องรักษาศีลอย่างพิเศษเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้รักษาศีลโดยชอบตามระยะที่กล่าวแล้วว่ารักษาศีลเหมือนอะไรกิกีวะอันดังแปลว่าดุดนกต้อยตีวิทรักษาไข่เนี่ยนะก็ให้ระหวงแหนศีลเหมือนกับ นกต่อยีวิตรักษาไข่จามารีรักษาขนหางมารดาที่มีบุตรคนเดียวถนอมบุตรคนเดียวฉันั้นเนี่ยนะคนมีตาข้างเดียวรักษาตาฉันนั้นเนี่ยนะให้ห่วงแหนธนุถนอมกุศลศีลไว้ฉนันนั้นนะ่ยนะอย่างที่ที่ที่ผ่านมาเราเห็นว่าเราตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาชีวิตตามรักษาศีล น, นั่นแหละเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณถ้าตามรักษาศีลให้ไปอะไรเป็นเหตุไปสู่ ป่าช้ า, ารักษาชีวิตมีใครรักษาสำเร็จไหมเคยเห็นไห ม, มก็ตกลงจบปลาช้ากันทั้งหมดมรักษาชีวิตไม่มีใครประสบความสำเร็จแต่ผู้ที่รักษาศีลเนี่ยออกจากทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงต่อไปว่าอีกอย่างหนึ่งท่านควรทำการอย่างลงและความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายในยานสามด้วยการแสดงธรรม คือแสดงธรรมในยานสามนิยานสามก็คือสาวะกะโพธิยานปัจเจกโพธิยานแล้วก็สัมมาสัมพุทธะและแสดงธรรมไม่ควรปรารถนาถ้อยคาของผู้มีศีลผิดปกติคือคนทุศีน่ะ น, นะดดการเยียวยาของหมอผู้ตรวจดูอาหารผิดสําเดงอ่ะหมายคืาว่าผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเป็นผู้แสดงธรรมสา ม, มารถที่จะแสดงธรรมได้ ถามว่าถ้าท่านทุศีลแล้วถ้าแสดงคำมาใครจะฟังเรานไแล้วใครอยากจะฟังมั่งสำหรับคําพูดของคนทุศีลไม่มีใครอยากฟังหรอกเพราะฉะนั้นจะต้องอตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลหรือว่าถามว่าถ้าพื้นฐานอ่ะในเป็นพระโพธิสัตว์แล้วศีลไม่ดีแล้วเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไงเป็นไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าคือผู้สมบูรณ์ด้วยศีล เพราะฉะนั้นควรเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตามสภาพว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาพึงตามการอย่างลงและความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรเนี่ยนะพัเราจะต้องเป็นผู้มีศีลดีถ้าเราเป็นผู้มีศีลดีด้วยเดชแห่งศีลเป็นต้นก็สามารถที่จะยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ความเป็นผู้สามารถในการทำอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายและการบำเพ็ญบารมีมีปัญญาบารมีเป็นต้นของเราด้วยการประกอบด้วยคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นโดยแท้อันหนึ่งคุณทั้งหลายมีฌานเป็นต้นเว้นความบริสุทธิ์แห่งศีลย่อมมีไม่ได้หมายคาอว่าศี น, นี่เป็นคุณธรรมรองรับคุณธรรมอย่างอื่นอีกคือหนึ่งนะตัวศี น, นี่เป็นอุปการะต่อสัตว์ใช่ไหมบอกใช่ ถ้าไม่มีศีลเนี่ยจะบำเพ็ญปัญญาบารมีเป็นต้นได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นจะทำให้เกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนะที่บริสุทธิ์เป็นเหตุให้มีปัญญาตอนตอนแรกบอกว่าปัญญาเป็นเครื่องชำระสศีลต่อไปเนี่ยศีลจะเป็นตัวรักษาให้ปัญญาเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องอั้นศีลรักษาปัญญาปัญญารักษาศีล น, นี่เมื่อศีลรักษาปัญญาปัญญารักษาศีล บัญญาและศีลตัวนี้จะเป็นเครื่องรองรับฌานอภิญญารองรับคุณธรรมอย่างอื่นจนถึงรักษาให้เกิดสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นควรทําศีลให้บริสุทธิ์โดยชอบเนี่ยนะศีลคืออะไรเจตนาศีลศีลคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามาศีลศีลตัวนี้เนี่ยนะรวบรวมมาให้กายวาจากระจัดกระจายรองรับ คุณธรรมชั้นสูงกําจัดความทุ่ีลอจนะผลที่ปรากฏออกมาเป็นผู้สะอาดกายวาจาและใจเนี่ยนะศีลเนี่ยมีริโอตปะเป็นเหตุใกล้ศีลเหล่านี้ผู้ที่รักษาได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็สามารถยังประโยชน์ทั้งหลายให้สําเร็จเนี่ยนะประโยชน์โลกนี้เนี่ยนะถ้าคนไม่มีศีลจริงๆเนะี่ยยากที่จะสําเร็จเนี่ยนะประโยชน์โลกหน้าถ้าไม่มีศีลก็ไม่สําเร็จประโยชน์อย่างยิ่งด้วยยิ่งต้องอาศัย ศีลเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งประโยชน์ในโลกนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงระดับคนงานทั่วๆไปใครอยากจะจ้างคนงานทุ่ศีลเอาไปไว้รับใช้ไหมเนี่ยนั่นถึงยังไงเนะ่าบอกโอ้ยก็จ้างมือปืนมือปืนทุ่ศีลเอาไม่มือปืนฆ่าตัวเองเอาไหมมันยังมองมีศีลยังพอไม่ฆ่านายได้ก็ยังยังยินดีอย่างนั้นอีกเป็นต้นคือสรุปว่ายังไงที่ใดเมื่อไหรใครก็ต้องการผู้มีศีลเนี่ยนะมีมากบ้างน้อยบ้างก็ตามสมควรแต่อย่างรวมรวมแล้วก็โลกนี้ยังจําปรารถนาผู้ มีศีลเพราะศีลเนี่ยสามารถยังประโยชน์ในโลกนี้ให้สําเร็จประโยชน์โลกหน้าก็สําเร็จแล้วก็โดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสาว ก, กโพธิยานตัดเจกับโพธิยานสัมมาสัมโพธิยานก็ต้องอาศัยคุณธรรมคือศีลเนี่ยนะถามว่าศีลล้าสมัยไหมบอกว่าตอนที่กิเลสมันกลุ่มรุมมากปอกล้าสมัยมากว่างั้นมัวแต่รักษาศีลโบราณคล่าครึ้อว่างั้นนะ่ะแต่ถ้าหากว่า ไประดับหนึ่งจะรู้ว่าอะไรเนาะจะประเสริฐเท่ากับศีลอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าสิ่งอย่างอื่นมันก็คือมาหามายาหลอกลวงสิ้นดีเอางั้นดูเหมือนดีแต่ว่าบ้านปลายแล้วก็ไม่มีอะไรซากอย่างนีง่ไม่ได้เครื่องปลื้มใจอะไรเลยเนี่ยนะไอคาพูดของคนก็บอกโอ้ยรักษาศีลมันเชยหน้าดูานะทายเถอเพะพอเกือบตายนี่จะรู้ว่าไอชีวิตที่ตัวเองเพลิดเพลินล น, นี่แหละเฉยที่สุดเนี่ยนะเพราะว่า ล้าสมัยยิ่งกว่าเหมือนเลยนะไปเพลดิดเพลินในแสงสีเสียงจะต่างอะไรจากแมลงเม่าที่เพลดิดเพลินในกองไฟทั้งหลายก็จะมีค่าอยู่เท่านั้นจริงๆเนี่ยนะ